คนเราต้องการความสุขนะชีวิตของเราเนี่ยถ้าไ ม, ม่มีความสุขหล่อเลี้ยงเนี่ยมันก็เป็นชีวิตที่น่าเบื่อแห้งแรงถ้าเราทำงานแล้วเราไม่มีความสุขเราก็เบื่อคนทุกวันนี้เนี่ยหลายคนไม่ได้มีความสุขจากการทำงานแต่เขาทำงานเพราะว่าเขารอหวังผลตอบแทน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 ากการทำงานได้อย่างไรสิ่งสำคัญคือว่าต้องรักรักงานนั้นคนเราถ้ารักงานเนี่ยเราทำเราก็มีความสุขถ้าเราไม่รักในงานนั้นนะเราก็ทำดับสังกตายทำอย่างขอไปทีหรือทำเพราะมีความจำเป็นบีบบังคับเรียกว่าทำด้วยแรงขลัก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 นวัต ก, กรรมเราก็จะมีความรักในวิชาเรียนโดยพิวิชาี่ทําให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายนะั้นแต่นักเรียนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยไม่มีจุดมุ่งหมายไม่รู้เรียนไปทําไมใจที่เรียนเพราะอะไรเพราะถูกบังคับไม่ได้เรียกว่าเรียนด้วยแรงผักพ่อแม่บังคับกลัวครูกลัวลงถูกลงโทษถ้าเราทําด้วยแรงผลังนะ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 พรตอนนั้นเนี่ยเราเกิดฉันทะในงานความรักในงานทางพุทธศาสนาเรียกว่าฉันทะถ้ารักในการเรียนเราก็เรียกฝ่ายเรียนถ้ารักในการทํา ง, งานเราก็เรียกฝ่ายทํคาคนเราจะฝ่ายทํามีฉันทะเพราะเรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแม้เหนื่อยเราก็ไม่บ่นมีความสุขด้วยซ้ามันมีเรื่องเล่าว่ามีช่างก่ออิฐนะสมคนทํางานใกล้ๆกัน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 กลับไปทำงานก่ออีกคนที่สองเนี่ยทำงานยันแข็งหน่อยแต่ว่าทำไปก็ดูนาฬิกาไปดูนาฬิกาเนคนที่สามเนี่ยทำงานกระฉับกระเฉงเงื่อนี่เต็มหลังเลยนะเพราะว่าทำงานกระตือรือร้นเมื่อไปถามคนแรกว่าเขาทำอะไรเขาตอบว่าผมก่ออิกไปถามคนที่สองทำอะไรผมกำลังก่อกำแพง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 ความเหนื่อยเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะมีความทุกข์ในการทำงานยิ่งมีความสุขในการทำงานเนี่ยมันก็ไม่กลัวเหนื่อยทำไมคนที่สามยัมีความสุขในการทำงานเพราะเขามองเห็นว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันมีคุณค่าคนแรกเนี่ยมองเพียงแค่ว่าก่อนอีกคนที่สอง ม, มองเพียงแค่ว่าวกอดํำแพงแต่คนที่สามมันก็มองไกลอันนี้เรามีวิสัยทัศ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 ก็จะมีคนสามประเภทเนี่ยมีคนที่ทําเพราะอยากได้เงินเดือนแต่ไม่ได้ทำเพราะความรักไม่ได้ทาเพราะเห็นคุณค่าแล้วไม่รู้ไดยว่าทําไปทำไมสิ่งที่ทํเนี่ยทำไปทาไมก็เห็นแค่ว่าก่ออีกถ้าทํด้วยความกลัวกลัวถูกเจ้านายจับจับได้ ว่ า, าจะไม่ขยันทางานถ้าไม่มีเจ้านายอยู่ก็หรือไม่มีกล้องวงจรปิดอยู่ก็ก็อาจทางอู้คนที่สองทำนะเพราะว่าเงินเดือนเหมือนกันคนที่สามทีจริงก็มาทําเพราะต้องการค่าจ้างหรือเงินเดือนนะแต่ว่าเขามองไกลไปกว่า น, นั้นเขาไม่ได้ทําด้วยแรงกลับแต่เขามีแรงดึงดูด รู้ว่าทำไปทำไมเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ทำฉะนั้นคนเราเนี่ยถ้าเรามีชันทะในงานนะเราจะมีความสุขสุขที่ได้ทําและชันทะเกิดจากการที่เราเห็นคุณค่าของงานถ้าพวกเราทํางานเนี่ยนะทงานโรงงานหรือทงานบริษัทเนี่ยมองให้ไกลๆหน่อยว่าสิ่งที่เราทํเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยให้เกิดประโยชน์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 เราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทําพราะเราเห็นคุณค่ามันมีเรื่องเล่าว่าที่อเมริกาเมื่อสักเกือบปศกศตรีที่แล้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์นึงที่ทําให้คนอเมริกันตื่นตัวกันมากเหตุการณ์นั้นคือรัสเซียเนี่ยเขาสามารถจะส่งยานอาวกาศไปโคจรรอบโลกได้เป็นประเทศแรกตอนหลังก็มีนัก บ, บินวนัก บ, บินอวกาศเนี่ยถูกส่งไปโคจรรอบโลกเหมือนกันเป็นชาวรัสเซียอเมริกาเสียหน้ามาก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 เป้าหมายสำคัญเลยต้องส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ส่งชาวอเมริกันไปดวงจันทร์ให้ได้ภายใน10ปีมีความกระตือร้น่นกันใหญ่งบประมาณจากรัฐบาลจากสภาก็ทุ่มเทไปที่องค์การนาซ่านักวิทยาศาสตร์ก็ถูกระดงกำลังกันมาทำงานก็มีนักข่าวเนี่ยวันนึงก็ไปสัมภาษณ์ผู้อนวยการไปแต่เช้าเยประมาณเจ็ดกว่า ก็ไปเห็นคุณป้าคุณหนึ่งกาลังทําความสะอาดนะดูดฝุ่นเช้าตูเลยนะเจ็ดโมงฝรั่งก็ไม่ค่อยทํางานก็หลงแต่ทํางานต่อเดือ่อแล้วก็แกก็ทําแบบกระตือรือร้นมากคล้ายๆกับช่างก่อยคนที่สามเพียงแต่เวลาที่แกทาําเช้ายังไม่ใช่บา่ายหรือเย็นแล้วข่าวหนังก็สนใจก็เลยไปถามเพื่อจะอยากรูว่าอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทําให้แกกัมาทํางานแต่เชา้าแล้วขยัน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 คิดารเรื่องยานอาวกาศเขาไม่ได้เป็นนัก บ, บินอวกาศเขาเป็นแค่คนทําความสะอาดแต่ก็เห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคือการช่วยชาติแกก็เลยขยันเนี่ยเดินแกอาจจะไม่มากนะแต่ว่าแกขยัน <c oughs> เห็นไห้ว่าเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเราถ้าเราเห็นคุณค่าของงานที่เราทําความรักในงานก็จะเกิดแล้เมื่อรักในงานความสุขก็จะ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 วันวันหนึ่งมีรถเข้าออกเนี่ยเป็นร้อยร้อยคันหลายร้อยคันนะแล้วแกก็สังเกตว่ามีพนักงานขุมรถเข้าออกคนหนึ่งเนี่ยแกเห็นมาตั้งแต่เล็กแล้วทํางานให้กับพ่อนี่มาโหเรียกว่าตั้งแต่ห น, นุ่มจนกระทั่งแกหกสิบ ก, กว่าแล้วแกทํางานกระตือร้นมากไม่ว่าฝนตกแดดออกนะแกก็ไม่เคยอู้เลยมาเชอบกลับขํา วันหนึ่งแกก็เลยจอดรถไปคุยสนใจถามว่าลุงเฉพาะตำแหน่งเนี่ยหน้าที่เนี่ยลุงทามากี่ปีแล้วในหน้าที่คุมรถเข้าออกเนี่ยแกบอกคุณหมอผมทำมาสิกาปีแล้วสิกาปีชเชลล์โอ้แล้วไม่เบื่อเหรอคุณหมอจะเบื่อได้ยังไงผมอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณหมอที่จุนนะ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 งานก็ไม่ให้คุณค่ากับเราเราทำล้วก็เบื่อเราทำเรก็เซ็งหลายคนรู้สึกว่าทำงานไม่มีคุณค่าเพราะว่าเงินเดือนน้อยเพราะว่าตำแหน่งเล็กพราะไม่มีรถประจาตำแหน่งเพราะไม่มีสวัสดิการมากมายคนอย่างนี้นะแม้จะเป็นผู้จัด ก, การก็ไม่มีความสุขต่างใดที่เราไม่เห็นไม่เห็นคุณค่าของงานที่เราทำเราจะรู้สึกว่างานมีคุณค่าเนี่ยนะ เราคิว่าเราจะมีคุณค่าได้ก่อนเสมเราคุณให้คุณค่าของงานนั้นงานนั้นก็จะให้คุณค่ากับเราถ้าเราไม่ให้คุณค่ากับงานงานก็ไม่ให้คุณค่ากับเราดันั้นใครจะรู้สึกว่าฉันไม่มีคุณค่าเนี่ยนะคําถามไม่ได้เกิดเพราะว่างานที่เราทำมันจิตจอยแต่เป็นเพราะเราไม่ให้คุณค่ากับงานนั้ต่างหากถามใจตัวเองว่าเราให้คุณค่ากับงานที่เราทําหรือยังถ้าเราไห้คุณค่ากับงานที่เราทํา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 แต่ว่าเงินที่เขาได้ได้เนี่ยเขาไปใช้ทากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หมาวเทัาายโรงเรียนแพลวิทยาลัยพยาบาลสถานีโทรทัศน์คุณธรรมและที่สำคัญเนีคือสถานีสถานีรีไซเคลิลสถานีแยกยขยะขยะทุกชนิดน่าจะเป็นกระดา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 แกบอกว่าแกเนี่ยแกบอกตัวเองแกเนี่ยผมแ่บเป็นขยะคืนชีพขยะคืนชีพพอได้มาทำนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นขยะคืนชีพแกวัดลายที่แ ก, กเกษียณ น, นะแม้ว่าจะมีเงินเก็บเยอะแต่อยู่บ้านเนี่ยกินกินนอนนอนดูทรัศน์เนี่ยมันไม่ได้มีความสุขเลยนะคนแก่ที่ไตวานเนี่ยไม่เหมือนคนแก่บ้านเรานะคนแก่บ้านเราอาจจะเลี้ยงหลาน เป็นคนชนวระกก็อาจจะสารกระบุมตัก้าแต่คนเกษียณในไต้หวันหรือในประเทศที่ร่ารว ย, ยแกแล้วก็ไม่มีอะไรทําได้แต่เที่ยวดูหนังสังๆแต่แกก็เบื่อนะรู้สึกตัวเองเป็นขยะไม่มีคุณค่าแต่พอแกได้มาทํางานเนี่ยแม้จะเป็นงา น, นงานแบบที่เหมือนกับเป็นงานจับกังนะจะรู้สึกมีความสุขมีชีวิตชีวา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 ใจแก่มีความสุขพอบแก่ให้คุณค่ากับงานที่แก่ทํางานนั่นก็กลับมาบํารุงใจแก่งานนั่นก็กลับมาให้คุณค่ากับแกนะขยะนี่เขียนไปเลยนะไม่รู้สึกว่าเป็นขยะแนละ้วไอ้งานที่มันมีคุณค่านะมันให้อะไรเราหลายอย่างมันไม่ใช่เพียงแค่ให้รายได้กับเรามันจะให้ความรู้สึกเต็มอิ่มมันจะให้ความรู้สึกว่ามันจะให้ความสุข ความรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามีความหมายทํางานแล้วเนี่ยนะมันทําให้ชีวิตมีคุณค่าแต่ก็อย่างว่านะเราต้องให้คุณค่ากับงานนั้นงานนั้นมันถึงมาเติมเต็มจิตใจเราถึงจะทำให้ชีวิตเรามีคุณค่านั่นเองเป็นหลักพื้นฐานเลยนะเป็นหลักการทํางานซึ่งบางทีเนี่ยมันไม่มีสอนในหมหาวิทยาลัยนี้เลยโรงเรียนโรงเรียนก็สอนแต่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 การที่รอความสุขเมื่องานเสร็จเนี่ยทุกทุกว่าเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จเราต้องมีความสุขขาะที่เราทำงานเหมือนกับเราเดินทางไปเที่ยวเนี่ยเราจะเดินทางไปเขาใหญ่เราจะเดินทางไปภูกระดึงเราจะเดินทางไปภูเก็ตไปเีมิลันเนี่ยนะถ้าไปรอถ้าเรารอความสุขเมื่อไปถึงที่นั่นนะบางทีเราทุกนะเวลาเจอรถติดนะเวลาจากเวลา ลูกหรือเมียตื่นสายทำให้เดินทางชา้าคนเราถ้าไปรอความสุขเมื่อถึงจุดหมายเนี่ยเราจะลืมสิ่งสวยงามสองข้างาทงา ง, ก, งก่อนที่เราจะไปถึงเขาใหญ่ถึงภูกระดึงก่อนที่เราจะไปถึงเิมิลันเกาะเต่าเนี่ยนะมันมีสิ่งสวยงามให้เราเห็นเนี่ยอยู่สองข้างทางต้องรู้จักเกี่ยวเกี่ยวความสุขความสวยงามเนี่ยระหว่างทางและเราจะไม่เบื่อว่าเมื่อไหร่มันจะถึงสักที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 แต่ละอาคารใช้เวลาเป็นเกือบสิบปีนะเพราะว่าท่านใช้กำลังพะเรนมาสร้างมีคราวที่ท่านสร้างอาคารที่ทชื่อว่าธรร ม, มานา ว, วาเป็นเรือสาหรับเก็บน้ำฝนแล้วก็เป็นที่ที่คนจะได้มาทาวัดสวนเมื่เวลาฝนตกก็สร้างมาเป็นปีแล้ววนะันหนึ่งก็มีโยมมาถามท่านว่าเรืออ า, าจารย์เรือเสร็จหรือ ย, อยัง เรือเนี่ยคือชื่อของธรรมนาวะทั้งตว่าเสร็จแล้วท่านแกก็ดีใจแต่ใจนึงก็โยมคนนั้นก็ดีใจแต่ใจนึงก็สงสัยเมื่อสอสาเดือนก่อนเรามาดูมันยังไปได้แค่ครึ่งเดียวทําไมเสร็จเร็วจังก็ไปดูเพราะว่าเรือก็ยังไปได้ไม่ถึงไหนยังสร้างไปได้ไม่ถึงไหนแปลกใจก็เลยมาถามท่านอ า, า, าจารย์ว่าท่านอาจารย์ทําไมท่านอาจารย์ถึงว่าเสร็จแล้วท่านบอกเซตหนึ่ วันนี้เสร็จพรุ่งนี้ก็เสร็จมะรืนก็เสร็จเสร็จทุกวันนะคือเวลาท่านทํางานเนี่ยหลายคนเนี่ยจะมีความทุกข์ว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะเสร็จนะกลับบ้านแล้วก็ยังกังวลถึงงานวันพรุ่งนี้แต่ถ้าจะพูดท่านเนี่ยนะเวลาท่านทํำก็ทําจริงจังนะแต่พอถึงเวลาเลิกงานเนี่ยท่านไม่เพงแต่วาวางคอนวางอุปกรณ์ท่านวางงานออกจากใจเลยท่านวางงานลงจากใจ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 เวลาเดินทางเนี่ยใจมีอยู่กับปัจจุบันอย่าเพิ่งไปสนใจจุดหมายปลายทางหลายคนเนี่ยเวลารลถติดเนี่ยเครียดเพราะใจมันคิดไปข้างหน้าแล้วว่าถ้ารถติดแบบนี้นานๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำงานช้าส่งลูกสายผิดนัดสำคัญหรือว่าตกครึ่องบินถามว่าเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดแต่ทุกไปเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเพาคิดข้ามชอ็อต